จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสารที่สิบมิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาหาซับสมบัติอันล้ำค่าที่ ไม่มีทรัพย์สมบัติอันใดในโลกนี้ที่จะมีคุณค่าเท่ากับทรัพย์ที่พระพุทธศาสนาจะมอบให้แก่พวกเรานั่นก็คือทรัพย์ภายในสอริยะทรัพย์ทรัพย์ที่เราเอาติดตัวไปได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว อริยทรัพย์ทรัพย์ภายในจะเป็นทรัพย์ที่เราจะได้ใช้ต่อไปหลังจากที่เราไม่มีร่างกายขณะที่เรามีร่างกายเราก็ใช้ทั้งทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกก็ใช้ผ่านทางร่างกายทรัพย์ภายในก็คือความสุขใจความสบายใจ ที่เราใช้ผ่านทางจิตใจนะทรัพย์ภายในนี้เกิดจากพระรัตนตรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รตันตนะแปลว่าทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าไม่มีอะไรจะมีความล้ำค่าเท่ากับพระรัตนะรเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ ที่จะให้ความสุขได้เหมือนกับพระรัตนตรัยและไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้เหมือนกับพระรัตนตรัยเราจึงเรียกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าพระรัตนตรัยคือทพย์อันประเสริฐสามประการด้วยกัน คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธนี้เป็นผู้ที่ทำให้เกิดพระธรรมเกิดพระสงฆ์ขึ้นมาถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มาประกาศพระธรรมคำสอนก็จะไม่มีพระธรรมคาสอนเมื่อไม่มีพระธรรมคำสอนก็จะไม่มีพระอริยสงสาร ผู้ที่จะศึกษาผู้ที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเพื่อที่จะได้บรรลุเป็นพระอริยสงสาวขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึงเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดสำหรับสัสตร์โลกเพราะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีพระรัตนตรไม่มีทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าที่ศัตร์โลก จะสามารถเอามาเป็นสมบัติของตนเอามากำจัดความทุกข์ต่างๆเอามาสร้างความสุขให้แก่ใจของตนไปอย่างถาวรพระคุณของพระพุทธเจ้าจึงเป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่ต่อสัตว์โลกทั้งปวงพระพุทธเจ้านี้ก็มีสอง สองแบบด้วยกันคือพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าและพระปเจกะพระพุทธเจ้าเนะ่พระปเจกะพระพุทธเจ้านี้เป็นพระพุทธเจ้าที่ตัดสรุปอริยศาสตร์ตัดสรุปพระธรรมมันประเสริฐที่มีคุณค่าที่ทําให้พระไทยของพระปเจกะพระพุทธเจ้า ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆแต่พระประเจกับพระพุทธเจ้านี้จะไม่สัมสอนผู้อื่นรู้แล้วก็เก็บไว้เฉยๆถ้าเป็นพระประเจกับพระพุทธเจ้าก็จะไม่ทำประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกทำประโยชน์ให้กับพระองค์เองเท่านั้นจะไม่ประกาศะธรทำคำสอน จะไม่มีพระ อ, อริยสงสาวอ์จะไม่มีพระพุทธศาสนาซึ่งมันก็เป็นความจำกัดความสามารถของพอระปเจ ก, กับพระพุทธเจ้าที่ไม่สามารถที่จะเอาคำสอนนี้มาเผยแผ่สังสอนให้แก่ผู้อื่นได้พระพุทธเจ้าอีกแบบหนึ่ง ก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าที่ตัสโรทำอันประเสริฐที่มีคุณค่าล้ำโลกที่สามารถที่จะทำให้ใจมีความสุขเหนือกว่าความสุขทั้งปวงได้และทำให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเช่นหลุดพ้นจากความทุก ของการเวียนว่ายตายเกิดของการเกิดแก่เจ็บตายหลังจากที่พระ อ, องค์ได้ทรงตัดสรู้แล้วพระ อ, องค์ก็ไม่อยู่เฉยๆพระ อ, องค์ก็เอาความรู้ที่พระ อ, องค์ได้ทรงตัดสรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วเกิดศรัทธา น้อมนำเอาไปปฏิบัติก็จะได้บรรลุเป็นพระอริยสงสาวงได้บรรลุถึงพระธรรมอันวิเศษที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบรรลุก็คือพระนิพพานที่ที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดแล้วหลังจากที่พระอริยสงสาวง ได้บรรลุพระธรรมอันประเสริฐแล้วพระอริยสงสาวกก็ช่วยพระพุทธเจ้าเอาพระธรรมคำสอนอันประเสริฐมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกต่อไปจึงทำให้ปรากฏมีพระพุทธศาสนาขึ้นมาและอยู่มาได้ายาวนานจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะความ สามารถความเสียสะละของพระพุทธเจ้าและของพระ อ, อริยสงสาวงทั้งหลายที่หลังจากได้ตัดสรู้ได้บรรลุธรรมแล้วก็เอาทมอันเลิศอันประเสริญนี้มาแจกจ่ายให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราพอพวกเราได้รับเอาไปฟังเราก็จะเกิดศรัทธา แล้วเราก็จะพยายามปฏิบัติตามคําสอนของพ่อขุตเจ้าตอนต้นก็ปฏิบัติทีละเล็กทีละน้อยก่อนแล้วต่อมาก็จะเพิ่มขึ้นไปเหมือนกับต้นไม้ที่เราปลูกเวลาปลูกใหม่ๆมันก็โตขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยถ้าเราหมันลดน้ำพรวนดินไปเรื่อยๆไม่ให้ต้นไม้ตาย ต่อไปต้นไม้ก็จะเติบโตใหญ่เป็นต้นไม้ใหญ่ขึ้นมามีกิ่งก้านมีใบไม้มีผลมะมารากไม้เต็มไปหมดฉันใดผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า<ม>ก็จะค่อยๆพัฒนาค่อยๆปฏิบัติไปเพราะว่าการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ เป็นของที่ค่อนข้างยากสำหรับสัตว์โลกเพราะสัตว์โลกไม่เคยปฏิบัติเคยปฏิบัติตามคำสอนของกิเลสตัณหาจนเป็นความเคยชินเวลาที่กิเลสตัณหาสอนให้ทำอะไรนี้จะทำได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวแต่เวลาที่เอาคำสอนของพระพุทธเจ้า มาปฏิบัตินี่มันรู้สึกยากลาบากเพราะว่ามันไม่ถนัดมันไม่เคยทำเหมือนคนเราถ้าเคยถนัดมือขวาใช้มือขวามาตลอดชีวิตแล้วพอต้องมาใช้มือซ้ายนี่จะรู้สึกไม่ถนัดเนี่ยไม่มีใครอยากจะใช้มือที่ไม่ถนัดนมีคนไหนญาติโยมคนไหนบ้างที่ใช้มือที่ไม่ถนัด มีแต่ใช้มือที่ถนัดถ้าถนัดขวาก็จะใช้มือขวาไปเรื่อยๆถ้าถนัดซ้ายก็จะใช้มือซ้ายไปเรื่อยๆจะไม่ยอมเปลี่ยนเพราะว่ามันไม่ถนัดมันลำบากมันไม่คล่องแคล่วว่องไวไม่สะดวกรวดเร็วจิตใจของเราก็เหมือนกันจิตใจของพวกเราถนัดที่จะทำตามความโลภตามความโกรธ ทำตามความอยากต่างๆพออยากได้อะไรก็ไปหามาเลยพอโกรธก็โกรธเลยไม่ยับยั้งไม่หยุดทีนี้คำสอนของพระพุทธเจ้านี้มันเป็นคำสอนที่ตรงกันข้ามกับความถนัดของพวกเราพวกเราถนัดกับความโลกพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราหยุดหยุดโลก เราถนัดกับความอยากหาเงินพระพุทธเจ้าก็สอนว่าให้หยุดหาเงินเราถนัดหาครอบครัวหาความสุขจากคนนั่นคนนี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าอย่าไปหาเพราะว่าความสุขที่พวกเราหากันสิ่งที่พวกเราหากันนี่มันจะกลายเป็นความทุกข์ต่อไป เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของที่เทียมแท้แน่นอนมันไม่ได้เป็นของที่ถาวรมันไม่ได้เป็นของเรา เ, เวลาที่มันเปลี่ยนไปหรือเวลาที่มันจากไปเวลาที่มันกลายเป็นของคนอื่นไปเวลานั้นความสุขที่เราได้รับก็จะหายไปแล้วสิ่งที่จะมาแทนที่ก็คือความทุกข์และ มันจะทำให้เรานี้ต้องกลับมาหาสิ่งเหล่านี้อยู่เรื่อยๆ เ, เพราะเวลาที่เราเสียไปเราก็อยากจะได้กลับคืนมาพอร่างกายนี้ตายไปความอยากที่จะได้ความสุขจากร่างกายยังมีอยู่มันก็จะดึงให้ใจของเรากลับมามีร่างกายอันใหม่กลับมาเกิดใหม่กลับมาทุกรอบใหม่ พราะเวลาเกิดเราก็ต้องดิ้นรนต่อสู้ทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วเราก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายทุกข์กับการพัดพาดจากสิ่งต่างๆที่เราหามากันแล้วตายไปก็กลับมาเกิดใหม่อีกทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด พระพุทธเจ้าเห็นการกระทาของเราที่ทำด้วยความโลภทำด้วยความอยากนี้มันไม่ได้นำไปสู่ความสุขความสิ้นสุด ข, ของความทุกข์แต่จะนำไปสู่ความทุกข์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนำไปสู่ความสุขปลอมความสุขชั่วประเดียวประดาส่วนพระพุทธเจ้านี้พระองค์ได้ส่งค้นพบความสุขที่ แท้จริงความสุขที่ถาวรความสุขที่ทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอีกต่อไปแต่ความสุขนี้เกิดจากการกระทำฝืนความถนัดของเราเราต้องหยุดความโลภหยุดความอยากหยุดหาความสุขจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหา สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้หาบุคคลต่างๆมาให้ความสุขกับเราถ้าเราหยุดได้แล้วเราก็จะได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วจะทำให้เราไม่ต้องกลับมามีร่างกายอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย มาพัดพากจากกันนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้สงตัศรุษแล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเรามาปฏิบัติกันพวกเราก็ต้องเริ่มปฏิบัติกันจากเท่าที่เราจะสามารถทำได้ก่อนหยุดความโลภหยุดความอยากเท่าที่เราจะสามารถหยุดได้ก่อน แล้วก็ค่อยเพิ่มไปเรื่อยๆเช่นข้อที่หนึ่งท่านสอนให้เราเลิกใช้เงินทองซื้อของไม่จําเป็นต่างๆซื้อความสุขทางตาหูจมูกลื่นกายเช่นเอาเงินทองไปเที่ยวไปดูภา พ, พยนตร์ไปไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปตามแหล่งบันเทิงต่างๆ เลือไปซื้อของต่างๆของฟุ่มเฟือยต่างๆเช่นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าของอะไรที่ไม่จำเป็นที่ต้องซื้อถ้าอยากจะซื้อก็เอาไปซื้อบุญดีกว่าเพราะการซื้อบุญนี้จะทำให้ใจเรามีความสุขมากกว่าจะทำให้ใจเราอิ่มกว่าและจะทำให้เราหยุดความอยาก ใช้เงินแบบสุลุยสร่ายแบบไม่มีเหตุมีผลแบบไม่จําเป็นแบบตามความโลภตามความอยากนี่คือขั้นที่หนึ่งให้เราหยุดความโลภความอยากที่จะใช้เงินไปซื้อความสุขต่างๆเพราะความสุขที่เราไปซื้อเป็นความสุขแบบยาเสพติดซื้อมาแล้วก็จะติดแล้วอยากจะซื้ออยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด มันก็จะทำให้เราต้องดินน้นรนหาเงินหาทองมาซื้อของต่างๆซื้อได้มากน้อยเพียงไรความอยากซื้อก็จะไม่หมดแล้วถ้าเกิดเรามีปัญหาไม่สามารถหาเงินทองมาซื้อของที่เราอยากซื้อได้เราก็จะทุกข์เราจะไม่สบายใจแล้วเราอาจจะต้องไปทำสิ่งที่เกิดโทษกับตัวเรา คือไปหาเงินโดยวิธีที่ไม่ถูกไปลักทรัพย์ของผู้อื่นไปขโมยเงินทองไปโกหกหลอกลวงไปกู้หนี้ยืมสินผู้อื่นแต่ไม่มีปัญญาที่จะใช้เขาก็เท่ากับการหลอกลวงเท่ากับการลักทรัพย์ทําทำแล้วก็จะมีปัญหาตามมาทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และหลังจากที่เราตายไปแล้ว มีชีวิตอยู่ก็ต้องคอยหลบเจ้านี้ถ้าเจ้านี้เจอเราอาจจะไปแจ้งความเอาตำรวจมาจับไปขังคุกขังตารางตายไปก็ยังต้องไปใช้กรรมในอบายต่อเพราะว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งนี้คือเราที่ไม่ตายไปกับร่างกาย พอเราทําบาปเราตายไปเราก็ยังต้องไปรับผลบาปต่อไปติดคุกติดตารางในอบายไปเป็นเดรัจฉานหรือไปตกนรกไปเป็นขอทานไปเป็นเปรตนี่คือการใช้เงินตามความโลภตามความอยากต่างๆมันไม่ได้นําไปสู่ความสุขแต่มันจะนําไปสู่ความหายานะไปสู่ความทุกข์ ความวุ่นวายใจต่างๆถ้าเราอยากจะใช้เงินก็เอาเงินมาทําบุญดีกว่าทําบุญแล้วจะทำให้เรามีความสุขใจอิ่มใจและจะไม่มีความอยากที่จะเอาเงินไปใช้ซื้อของต่างๆที่ไม่จำเป็นจะไม่อยากไปเที่ยวจะไม่อยากไปไปทำอะไรด้วยเงินทอง เพราะเรามีความสุขใจที่เกิดจากการทำบุญทำทานทำให้เราอยู่เฉยๆอยู่บ้านได้ไม่มีเงินเราก็ไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปเดินโดนหาเงินแบบวิธีทุจริตหาได้โดยวิธีสุดจริตได้มากได้น้อยก็ใช้ไปเท่าที่จำเป็นจะต้องใช้เงินทองก็จะมีเหลือเฟือ เพราะว่ารายรับของเราที่จะเอามาใช้กับรายจ่ายนี้มันมากกว่าถ้าเราใช้เงินทองกับสิ่งที่จําเป็นก็ไม่มีอะไรมากเสื้อผ้าเราก็มีแล้วบ้านเราก็มีแล้วยารักษาโรค ก, ก็มีโรงพยาบาลรักษา30บาททุกโรคอยู่แล้วก็มีแต่ค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของอาหารเท่านั้นเองถ้าน้ําค่าไฟ ค่าอะไรมันก็ไม่มากเงินเดือนที่เราได้เราก็จะมีเหลือกินเหลือใช้เราก็จะมีความสุขอยู่บ้านไปทําบุญที่วัดเสร็จกลับมาอยู่บ้านไปทํางานที่บ้านต่อก็ได้บ้านเราปล่อยให้ลูกดวงลังก็มาดูแลรักษาความสะอาดกันกว่าบ้านถูบ้านซักผ้าทําอะไรกันแล้วถ้า มีความสนใจที่อยากจะหาทรัพย์ที่มากกว่านี้ทรัพย์ภายในที่มากกว่านี้ก็มาศึกษาพระธรรมคำสอนกันหนังสือธรรมะฟังเทศน์ฟังธรรมกันเพื่อที่จะได้รู้วิธีหาทรัพย์ภายในให้เกิดมีเพิ่มมากขึ้นไปนี่คือวิธีการของพระพุทธเจ้า สอนเป็นขั้นเป็นตอนไปขั้นที่หนึ่งง่ายกว่าขั้นที่สองขั้นที่สองง่ายกว่าขั้นที่สามขั้นที่สี่เราก็มาหัดทําแต่ละขั้นไปเหมือนกับเดินขึ้นบันไดเดินขึ้นขั้นที่หนึ่งก่อนถึงค่อยขึ้นขั้นที่สองแล้วค่อยขึ้นขั้นที่สามไปตามลําดับขั้นแรกก็ทําบุญทําทานอย่าเอาเงินไปซื้อของตามความอยากต่างๆ ถ้าจะซื้อก็ซื้อของที่จำเป็นเช่นถ้ารองเท้าขาดไม่มีรองเท้าใส่ก็ซื้อคู่ใหม่มาใส่ถ้าเสื้อผ้าขาดไม่พอใส่ก็ซื้อมาได้แต่ถ้ารองเท้าก็มีอยู่หลายคู่เสื้อผ้าก็มีอยู่หลายชุดยังใช้ได้อยู่ยังใส่ได้อยู่อย่าไปซื้อให้เสียเงินเสียทองไปเปล่า พอะจะทําให้เราต้องไปหาเงินหาทองมาอยู่เรื่อยๆซื้อมาเท่าไหร่ก็ไม่พอใช่ถ้าเราจะไม่สามารถไปไปทำไปสร้างทรัพย์ภายในระดับที่สองได้ทรัพย์ระดับที่สองที่เราต้องสร้างที่มีมากกว่าระดับที่หนึ่งก็คือการรักษาศีลถ้าเราทําบุญแล้วเราจะมีเงินเหลือ เราจะไม่ต้องดิ้นรนเดือดร้อนกับการหาเงินมากจนเกินไปเราก็จะไม่ต้องไปทำบาปเพื่อหาเงินหาทองกันเราก็จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดปรเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาถ้าเรารักษาศีลห้าได้เราก็จะมีทรัพย์ภายในอีกระดับหนึ่ง ทรัพที่จะทำให้เรานี่ไปเกิดในสุขคติกันไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเป็นเกิดเป็นเทวดากันถ้าเรารักษาสี่ห้าไม่ได้เราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนไม่ได้เราต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานก่อนไปตกนรกก่อนถ้าเรารักษาสี่ห้าได้เราก็จะมีทรัพที่จะทำให้เราไม่ต้องไปติดคุกติดตารมในอบาย จะทําให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นเทวดาถ้าเราทําบุญด้วยรักษาศีลด้วยเราก็จะได้ไปเกิดเป็นเทวดาไม่ต้องไปเป็นขอทานถ้าเราไม่รักษาศีลไม่ทําบุญตายไปถ้าไม่ไปเป็นเดรัจฉานก็ไปเป็นเปรตเปรตก็คือขอทานในโลกทิพย์เปรตไม่มีบุญติดตัวไป มีแต่บาปติดตัวไปจึงไปเป็นแบบขอทานต้องไปรอรับส่วนบุญของคนที่มีชีวิตอยู่อย่างพวกเราเนี่ยเวลาที่เราทำบุญเสร็จแล้วเรากวดน้ำอุทิศบุญก็ให้พวกที่เป็นขอทานนี่พวกที่ตอนที่เป็นมนุษย์มีชีวิตอยู่ไม่ชอบทำบุญไม่ชอบรักษาศีลพอาตายไป ก็เลยไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปตกนรกบ้างนี่คือเรื่องของการมีทรัพย์ถ้าเรามีทรัพย์ที่เกิดจากการทำบุญทรัพย์ที่เกิดจากการรักษาสีงเราก็จะไปเป็นเทวดากันไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์เหมือนกับที่เราไปท่องเที่ยวตา ม, ตามประเทศเนี่ย การที่เราจะไปท่องเที่ยวต่างประเทศได้เราต้องมีเงินทองถ้าไม่มีเงินทองก็ไปไม่ได้ถ้าเราต้องการจะไปท่องเที่ยวในสวรรค์ชั้นต่างๆเราก็ต้องมีทรัพย์ภายในมีมีบุญมีบุญที่เกิดจากการทำทานมีบุญที่เกิดจากการรักษาศีลนี่คือทรัพย์ระดับที่หนึ่งที่สอง แล้วถ้าเราอยากจะได้ทรัพย์ระดับที่สเราก็ต้องเพิ่มการรักษาศีลจากศีลห้ามาเป็นศีลแแล้วเราก็ต้องมาหัดนั่งสมาธิทาใจให้สงบถ้าเราทำได้เราก็จะได้ทรัพย์ที่มากกว่าทรัพย์ระดับที่หนึ่งที่สองเป็นทรัพย์ที่จะทําให้เราไปสู่สวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพนั่นก็คือสวรรค์ชั้นพรหม ที่มีความสุขมากกว่าที่มีอายุยืนยาวนานกว่าสวรรค์ชั้นเทพแล้วถ้าเราอยากจะได้ความสุขระดับชั้นพรหมนี้ไปอย่างถาวรเราก็ต้องทำบุญเราต้องมาสร้างทรัพย์ระดับที่สี่คือมาสร้างปัญญามาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เรารู้ว่าสิ่งต่างๆ ที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นนี้ที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นพิษเป็นภัยกับเรามันไม่ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราเพราะมันจะให้แต่ความทุกข์กับเรามันให้ความสุขหลอกเราความสุขเราได้จากมันเพียงแค่เพียงเล็กๆน้อยๆแต่ความสุขที่เราจะได้ความทุกข์ที่เราได้จากมันนี้ มันจะเป็นความทุกข์อันใหญ่โตมหาศาลเนะพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นความสุขนี้มันเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปหมดแล้วเราก็ต้องไปหาใหม่ถ้าหาไม่ได้ก็เสียใจทุกใจนะถ้าหาได้เดี๋ยวมันก็หมดอีกหมดแล้วก็ต้องหาอีกเชนะ่นไปเที่ยว ก็ได้ความสุขใจพอกลับมาบ้านความสุขใจที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปความอยากเที่ยวก็กลับมาใหม่ก็ต้องออกไปเที่ยวอีกแล้วถ้าไม่มีเงินไปเที่ยวหรือไม่สบายไปเที่ยวไม่ได้ก็จะทุกข์อีกนี่คือความสุขต่างๆที่เราหากันในโลกนี้เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่มีความทุกข์ซ่อนอยู่ข้างหลัง ถ้าเราต้องศึกษาต้องมองให้เห็นว่าความสุขที่เราคิดว่าเป็นความสุขนี้มันเป็นความสุขอัมพรมอัมพรมความทุกข์ที่จะตามมาถ้าไม่เช่นนั้นทำไมพวกเราต้องมาร้องห่มร้องไห้กันพวกเราก็หาความสุขกันใช่ไหมหาความสุขจากเงินทองหาความสุขจากคนนั่นคนนี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเป็นยางไร ทำไมต้องมาล่องห่มล่องไห้กับคนนั่นคนนี้กับข้าวของเงินทองก็เพราะว่าเขาเป็นความสุขชั่วคราวเวลาเขาอยู่กับเราก็เป็นความสุขพอเวลาเขาจากเราไปก็จะกลายเป็นความทุกข์และของทุกอย่างที่เราหามาได้ในโลกนี้ไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งเราก็ต้องจากเขาไปหรือไม่เช่นนั้นเขาก็จะต้องจากเราไป พระพุทเจ้าถึงทรงสอนให้เราหมั่นพิจารณาเห็นความไม่ถาวรความชั่วคราวความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่างท่านบอกว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นของเราถ้าเราอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นของเรามันก็จะทําให้เราทุกข์เพราะเวลาที่มันไม่เที่ยงเวลาที่มันไม่ได้เป็นของเรา เราก็จะเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้นั่นเองถ้าเราเห็นด้วยปัญญาตลอดเวลาเราก็จะหยุดหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เราก็จะไม่ต้องทุกข์กับสิ่งต่างๆและเราก็จะมีความสุขที่เราได้จากการทาใจให้สงบจากการฝึกนั่งสมาธิความสุขนี้ก็จะกลายเป็นความสุขที่ถาวร ถ้าไม่มีความอยากมาหลอกให้เราไปหาความทุกข์มาใส่ใจถ้าเรามีปัญญาความหลอกมันก็จะมาหลอกเราไม่ได้เห็นอะไรอยากได้เราก็จะคิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าได้มาแล้วทุกข์นะได้มาแล้วจะต้องเสียใจในภายหลังเวลาที่เขาจากเราไปเวลาที่เขาเปลี่ยนไปถ้าเรามีปัญญาเห็นทุกอย่างว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ของเรา จะท่าให้ความทุกข์กับเราเราก็ไม่อยากมีอะไรไม่อยากได้อะไรพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจใจของเราก็จะมีทรัพย์เต็มร้อยมีความสุขเต็มรอยไม่ต้องกลับมาหาทรัพย์ต่างๆในโลกนี้ต่อไปเพราะเรามีทรัพย์ภายในที่ยิ่งใหญ่กว่าทรัพย์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเพราะท่านได้หาซับภายในได้อย่างเต็มที่เต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจแล้วนั่นเองคือนิบบานังปรามังสุขขังปานิพานาเป็นบรมสุขเป็นความสุขอย่างยิ่ง ที่ได้ก็เพราะว่าได้เราได้เกิดจากการสร้างรัภ์ภายในโดยการทำทานด้วยการรักษาศีลห้ารักษาศีลแปดดยการนั่งสมาธิด้วยการใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพื่อตัดความอยากให้หมดไปจากใจพอหมดความอยากแล้วใจก็จะไม่มีความหิว โหอีกต่อไปมีแต่ความอิ่มตลอดไปมีแต่ความสุขตลอดไปนี่คือทรัพย์ภายในที่เรามาหากันจากพระพุทธศาสนามาหาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วก็นําเอาคําสอนที่สอนให้เราทําทานรักษาศีนั่งสมาธิจเจริญปัญญาไปปฏิบัติกัน เราปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เราก็จะได้รับผลอย่างเต็มที่ได้รับความสุขเต็มเปลี่ยนอยู่ภายในหัวใจไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์ของพวกเราที่พวกเราเข้ามาหากันในวันนี้ขอให้เราเข้าหาบ่อยๆและปฏิบัติตามคําสอนบ่อยๆ แล้วชีวิตจิตใจของเราจะมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงไปและหมดไปอย่างถาวรการแสดงก็พอสมกวรแก่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ะบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้